ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp สแผ่นที่8ปิบห้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี mp สแผ่นที่แปดิบ้าให้คติธรรมหัวข้อว่าอันทาตะมัง